อะํพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุจโยติอิมัง โอกาสนี้นี้เป็นเวลาดีที่สุดของเราเป็นคือวันก่อนก็ล่วงและวันนี้ก็เป็น ส่วนที่เราได้ใช้ในและเราเข้าใจในเรื่องความประเสริฐหรือปัจจุบันนี้ เนื่องด้วยวันเกิดของท่านเจ้าอาวาส เราทําพิธีเพียงวันเดียวเรียกว่าเจ้าฝันหญิงมาทําพิธีเพียงชั่วโมงเดียวแต่ว่าคณะสงฆ์และคณะศิษย์ได้ขลั้วขายในเรื่องการ เมื่อมีพระตูตตําก็จะดีเป็นอนุร ให้ควบคุมข่มกิเลสตัณหาให้น้อยลงโดยเร็ว ขึ้นภูยอดพระชนดีของเราสําเร็จเป็นวันดีวันประเสริฐกับคณะและญาติโยมผู้ส่งเสริมในเรื่องมงคลนี้และฮันพระญาณวิสิทธิ์ก็เป็นประธานที่ให้ การสังฆ์ของพระเจดีนี้สําเร็จลุล่วงมาโดยลําดับจนได้ฉลองกัน คารวะนักถือท่านบริรเราทําใดท่านก็เห็น แม้สำเร็จรู้แล้วคู่ใดมาเคารพ เรเราก็สามารถจะน้อมวันเกิดของตนของตนมาพิจารณาเป็น หน้าที่ตำแหน่งยศฐานะหรือรายได้อย่างไรนี้เป็น ญาติสนิทเป็นสหายมาถึงบิดามารดาทั้งตนสืบอาจารย์เป็นพระเจ้าพระสงฆ์สืบจากสังคมทุกระดับนั้น เป็นวันที่เราจะต้องระลึกถึงผู้ให้กําเนิด เมื่อเรามีฐานะดีก็เป็นกําไรฐานะยาก เรามีจิตใจที่อิ่มใจได้ให้ทานกําไรจิตใจหิวโหย เมื่อมีความสุขในใจเกิดจากบุญกุศลแล้วว่าเรื่องของวันแต่ละวันของเรานั้นเป็นเครื่องชัยของ ที่เราได้ดีนั้นจากวันก่อนทํามาดีเมื่อทําวันนี้ ได้มาร่วมบุญกุศลร่วมกันนั้นก็เรียกว่าเราคงยังมีบุญในปาง อ่ายังไม่ถึงนิพพานแล้วถือว่ายังไม่สิ้นกิเลสอย่าถอยความ เรื่องของจิตใจนี่แหละเป็นตัวนักเดินทางเอก เราจะคบฆานก็ไปทางผิดคบบดีก็ไปทางผลคบ คนที่ไม่เข้าใจเรื่องก่อนเกิดหลังจะตายพอหมดลมแล้วหมดความ ช่วยเราได้เพียงแค่ถึงโรงพยาบาลลูกหลานญาติมิตรช่วยเราได้ถึงเชนากรบุญกุศลเป็นทุนรอนช่วยเราได้ถึงชาติหน้าพบหน้าจนนิพพานฉะนั้นท่านบอกว่าสุโขภูมิ ไอ้สภาพนั้นแค่แวะเงินได้ฐานะที่ดีได้แต่แม้กันต้อง เรื่องรวยนั้นต้องรวยสุจริตจิตใจจะไม่เสียหายเรียกว่าให้เข้าใจตามความจริงว่ากายไม่ใช่ ความสุขในเรื่องทางโลกนั้นเค้าเรียกว่าสุขกไก่สะกดสุขโลกีย์เป็นทุกข์ แต่งตัวงามกายการที่มีคุณธรรมงามกายการที่มีคุณธรรมขันติสละจะ สำคัญคือเราต้องการความดีนั้นต้องสั่งสมบุญผู้ที่เข้ามาในวัดเป็นมาก การให้คุณก็เราก็จะน้อม 2 พุทธเจ้าทรงปัญญามีปัญญาคุณแล้วก็น้อมมาภาวนาทานศีลภาวนา เมื่อเรามาน้อมคุณพระเจ้ามาทําทานแล้วจิตค่อย คนหมอโคอาเสเบยะมั่นรักษาศีลคนฉลาดว่าทานเอื้อเฟื้อเป็นเนื้อดั่งบุญที่อุดหนุน จะมีคุณธรรมยิ่งใหญ่ติดตามไป เรื่องของการมาวัดนี้เค้าชื่อวัดอย่าไปวัดแต่กระเป๋าอย่างเดียวอย่าไปวัดแต่เพื่อสุขภาพร่างกายอย่างเดียวต้องน้อมใจมาวัดด้านจิตใจของตนเพราะนั้นทางโลก สมมติแล้วว่าได้มาร่วมงานตั้งแต่ที่ ท่านเห็นว่าพระอหันเมืองไทยพระเจ้าเมืองไทย หรือว่าทั้งโลกก็ได้ว่าเป็น 13 ยอด 13 มองยังเฉียงได้ 7 เป็นที่ การก็ให้เข้าใจ เพศบนนั้นเราเรียกว่าสวดธาตุเป็นการทวนกระแสมาดูธาตุลมธาตุไฟธาตุอ่าธาตุน้ําธาตุอากาศธาตุดินธาตุอากาศธาตุ เห็นว่าสมควรกับ